พระพุทธศาสนาที่พวกเราให้ความเคารพนับถือกราบไหวาาบูชาเริ่มสายศรัทธาเปรียบเหมือนกับสะพานข้ามแม่น้ำเช่นสะพานกรุงกรุงเทพกรุงเทพสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมระหว่าง กลุ่มเทพมหานครกับกลุ่มทนบริสะพานของพระพุทธศาสนาก็เชื่อมระหว่างโลกิยะกับโล ก, กุตระฝั่งโลกิยะกับฝั่งโล ก, กุตระฝั่งโลกิยะนี้ก็คือฝั่งที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายยังอยู่กัน ถ้าเราอยากจะข้ามฟากไปสู่ฝั่งโล ก, กุตระเราก็ต้องมีสะพานถึงจะข้ามฟากไปได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เปรียบเหมือนกับไม่มีสะพานจะว่ายข้ามไปก็ยากลำบากเพราะมีะมีสัตว์ที่คอยกัดคอยกินอยู่ เป็นมีจระเข้มีฉลามไม่สามารถที่จะว่ายน้ำข้ามฟากไปได้ต้องรอให้มีพระพุทธศาสนามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างฝั่งโลกิยะกับฝั่งโลกุตระฝั่งโลกิยะคือฝั่งของไตรภพฝั่งของสังสารวัฏ เกิดที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ในใจภพสามภพด้วยกันมีกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพคือที่อยู่ของสัตว์โลกที่ยังเสพกามอยู่ก็ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตาย อยู่ในการมาพบไปเรื่อยๆการมาพบนี้ก็มีแบ่งเป็นสองสองสีกด้วยกันซีกที่มีความสุขมากกว่าความทุกขและซีกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขซีกที่มีความทุกขมากกว่าความสุขก็คือเรียกว่าอบาย เป็นที่ไปของผู้ที่เสพการามด้วยการกระทำบาปต่างๆมีเดรัจฉานมีเปรตมีอสุรกายมีนรกสีกนี้จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขส่วนมนุษย์นี้อยู่ระหว่างกลางของสีกซ้ายกับสีกขวามนุษย์นี้จะ มีความสุขกับความทุกขประมาณ 50-50 น 50. ะบถ้าของเดชานี้อาจจะมีความทุกข์60ความสุข40เปรตก็จะเพิ่มเป็น 70-30 สิสอสุรกายก็จะเพิ่มเป็น 80-20 ถ้านรกนี้ก็เต็มร้อยเลยมีแต่ความทุกเพียงอย่างเดียวเพราะการกระทำบา ทำบาปหนักมากก็จะมีความทุกข์มากในรชา น, นี้เขาทำบาปเพราะความจำเป็นเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาต้องมีการฆ่ากันเพื่อจะเป็นอาหารพวกนี้ก็ทำบาปเป็นแวววาระโอกาสเวลาหิวส่วนพวกเปรตนี้ทำบาปด้วยความโลกไม่มีวาระ ทำเต็มที่ทำตลอดเวลามีโอกาสเมื่อไหร่ทำได้เมื่อไหร่ก็จะทำพวกนี้ก็จะมีความทุกข์มากกว่าพวกเดลฉานพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นพวกอสุรกายพวกนี้เจออะไรที่กลัวก็จะทำบาปจกทำลายเจอสัตว์เจอมแมลงเจออะไรต่างๆ เ <ambiente> จองูก็ตีงูเจอมดก็ฆ่ามดเจอยุงก็ตบยุงเพราะความกลัวที่เขาจะมาทำอะไรให้เสียหายกับชีวิตของตนโรงนี้ก็จะมีความทุกข์มากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวนี้มันหนักกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความทุกข์ที่เกิดจากความโลภก็หนักกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความหิว ความขาดแคลนอดอยากขาดแคลนของเดรัจฉานแล้วก็ความทุกข์ที่หนักที่สุดก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาททำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้นร้างแค้นกันฟันต่อฟันตาต่อตา อ, อันนี้จะเป็นความทุกข์ที่หนักที่สุดเราจึงเรียกว่านารก นี่คือสี่ของผู้ที่เสพการมด้วยการกระทำบาปต่างๆส่วนมนุษย์นี้เป็นพบที่ทำบาปบ้างทำบุญบ้างทำความดีบ้างทำบาปบ้างก็ประมาณห้าสิบห้าสิบมีความสุขห้าสิบมีความทุกข์ห้าสิบอย่างพวกที่อย่างพวกเราที่มีกันอยู่ สามวันดีสี่วันไข่บางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์ก็พอถูถายอยู่ไปได้ไม่ทุกจนทนไม่ไหวส่วนซี่ของที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็คือซี่ของเทวดาเรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพเนี่ยสวรรค์ชั้นเทพนี้เป็นพวกที่ทำบุญมากกว่าทำบา เมื่อตายไปก็จะได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆเพราะว่าผู้ที่ทําบุญทําบาปทําบุญก็มีทําไม่เท่ากันนั่นเองถ้าทําบุญมากก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพที่สูงมีความสุขมากทําบุญน้อยก็อยู่สวรรค์ชั้นต่ํามีความสุขน้อย นี่คือกามาพบพบของผู้ที่เสพกามยังหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอยู่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในการมาพบส่วนผู้ที่สามารถที่จะระงับะละเว้นการเสพกามได้ก็จะไปเกิดในพรหมโลกมีอยู่สองพบด้วยกัน เรียกว่ารูปภพกับอรูปภพนสองภพนี้เป็นผู้ที่ไม่เสพกามเช่นพวกนักบวชทั้งหลายผู้ที่สือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็มันจเจริญส ม, มถะภาวนาฝึกจิตสอนจิตให้เข้าสู่ความสงบได้สมาธิได้ฌานขั้นต่างๆถ้าได้ฌานขั้นระดับรูปฌาน ก็จะได้ไปอยู่ในรูปภปพถ้าได้ฌานในระดับอรูปฌานก็จะได้ไปอยู่ในระดับอรูปภพความสุขของรูปภพนี้น้อยกว่าความสุขของอรูปภพระดับของอรูปภพนี้เป็นความสุขที่สูงสุดความสุขของโลกิยะ โลกยียในตายภพนี้มีความสุขของอรูปภพเป็นความสุขที่มากที่สุดลองลงมาก็ความสุขของรูปภพลองลงมาก็เป็นความสุขของเทวภพของเทวดาลองลงมาก็เป็นสุขของมนุษย์ตามกว่านั้นก็เป็ น, ปนโลกของเดรัจฉาน ซึ่งมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขน้อยลงไปตามลำดับจนไปถึงระดับนรกนี่คือที่อยู่ของสัตว์โลกที่ยังไม่ได้ข้ามฟากคือยังไม่ได้พบกับสะพานข้ามฟากคือยังไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาจะไม่สามารถข้ามฟากไปได้ด้วยตนเอง ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถพอที่จะว่ายน้ําข้ามไปได้จะต้องรอให้มีสะพานเชื่อมระหว่างสองภากนี้ก่อนถึงจะสามารถข้ามไปได้สะพานที่จะเชื่อมโลกทั้งสองโลกนี้เข้าหากันนี้นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆนนนนจะมีผู้ที่มีความสามารถ ที่จะมาสร้างสะพานเชื่อมสองโลกนี้ได้คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตัสมมาสามพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะรู้จากวิธีสร้างสะพานข้ามฝากทั้งสองฟากนี้ข้ามจากฝากของโลกิยะไปสู่้ากของโล ก, กุตตระฟากของโล ก, กุตตระก็คือ ฝ้าของมรรคผลนิพพานฝ้าของพระอริยะบุคคลมีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพราะอารหรันต์ผู้ที่ได้ข้ามไปถึงระดับพระโสดาบันนี้ก็จะตัดการกลับมาเรียนว่ายตายเกิดในตาภพ ให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก <c oughs> คือจะกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบไม่เกินเจดชาติส่วนระดับที่สองคือพระสะกิรดาคามีก็จะกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบเพียงชาติเดียวสําหรับพระนาคามีระดับที่สนี้จะไม่กลับมาเกิดในกามาพอีกต่อไป แต่จะไปเกิดในอรูญจะไปเกิดในรูปภพในระดับของสวรรค์ชั้นสุดทาวาสที่มีอยู่ห้าชั้นด้วยกัน <c oughs> พอได้ขั้นที่สี่คือขั้นพระอระหันต์ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในฝั่งของโลกิยะอีกต่อไปนี่คือความวิเศษ หรือประโยชน์อันวิเศษอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่จะอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้มีโอกาสข้ามฟากไปอยู่ฟากที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดฟากที่ไม่มีความทุกข์เพราะความเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมีความ แก่มีความเจ็บมีความตายตามมานั่นเองถ้าเกิดแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซึ่งไม่มีใครในโลกนี้ที่ปรารถนากันแต่ก็เป็นสิ่งที่เด็กเลี่ยงไม่ได้เพราะยังไม่รู้จักวิธีที่จะข้ามฟากไปสู่ฟากที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองต้องรอให้ ได้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาก่อนมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มีพระพุทธเจ้าทรงนำเอาความรู้ที่ได้ทรงตัดสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็พอได้ทรงสั่งสอนก็จะมีสัตว์โลกผู้ที่ฉลาดผู้ที่สามารถน้อมเอาคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามได้แล้วก็จะสามารถข้ามไปถึงฟากของมรรคผลนิพพานได้ฟากของโลกุตระได้ก็จะเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่สามารถมาช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ สัตว์โลกที่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ยินจะจะได้รู้จะได้ได้ยินและจะได้ปฏิบัติและจะได้ข้ามฟากไปสู่ฝากที่ปลอดภัยต่อไปตราบใดถ้ายังมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่ตราบนั้นก็ถือว่ายังมีสะพานอยู่ พระพุทธศาสนานี้เราต้องดูที่การมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เพราะว่าถ้าไปดูอย่างอื่นนี้อาจจะไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงถ้าเราไปมองพระพุทธศาสนาที่วัดที่พระพุทธรูปที่ที่พระสงฆ์ที่ไม่ได้ศึกษ ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแต่เป็นทระสงค์ที่ทำธุรกรรมต่างๆทำการาทำระอะไรประเพณีทำเนมอะไรต่างๆอันนี้จะมองไม่ถูกเพราะว่าท่านเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะ พาให้สัตว์โลกข้ามฟากไปสู่ฟากของพระนิพพานได้จะต้องเจอกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเจอกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพระสูตรสําคัญต่างๆก็ดีเช่นธรรมจากกัปปวัตตนสูตรอนัอนตลักษณะสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลลสูตรน นี่เป็นตัวของสะพานตัวของศาสนาอยู่ที่พระสูตรเหล่านี้และอยู่ที่การศึกษาและปฏิบัติตามพระสูตรเหล่านี้ถ้าที่ไหนมีการศึกษาและมีการปฏิบัติตามพระสูตรเหล่านี้ก็ถือว่ายังมีสะพานอยู่แต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติมีแต่การทําบุญบางสังสว่วน เป็นทบุญวันเกิดวันตายทำบางสกุลคนเป็นคนตายบางสกุลบุญบางสังสวดถวายสังฆทานสวดมนต์เจริญพุทธมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เหล่านี้ไม่ใช่เป็นสะพานที่จะเชื่อมโลกของพันธิฝาน อาจจะเป็นทางขึ้นแต่ยังไม่ใช่เป็นสะพานการที่เรามีมีพิธีกรรมต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนกับการหล่อห ล, อ, ลอมจิตใจของสัตว์โลกให้เข้าหาสะพานข้ามฟากแต่ยังไม่ได้เป็นตัวสะพานถ้าทำแต่กิจเหล่านี้คือทำแต่พิธีกรรมเหล่านี้ทำบุญบังสังส่วน ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างละเอียดทีท้วนอย่างลึกซึ้งและไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดยังไม่ได้ถือว่าได้ขึ้นสู่สะพานที่จะพาข้ามฟากไปเป็นเพียงแต่กาลังขึ้นสู่ทางที่จะพาขึ้นไปสู่สะพานอีกทีหนึ่งสังเกตุไม่เวลาจะขึ้นสะพานนี้จะต้องมีถนนเชื่อมขึ้นไปก่อน เพราสะพานมักจะอยู่ที่สูงอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับพื้นดินก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างสะพานสร้างถนนเชื่อมขึ้นไปสู่สะพานพิธีกรรมต่างๆตามวัดวารามต่างๆนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกับสะพานเหมือนเหมือนกับทางเชื่อมทางที่จะขึ้นสู่สะพานอีกทีเพราะถ้าไม่มีทางก็จะขึ้นยาก ก็เลยต้องทําทางเชื่อมระหว่างระดับพื้นดินกับระดับสะพานวัดวารามที่มีศาสนพิธีต่างๆวัดวารามที่มีถาวรวัตถุต่างๆก็เป็นเหมือนอาทางเชื่อมอสู่ขึ้นสู่สะพานนั่นเองแต่ไม่ได้เป็นตัวสะพานามีพระพุทธรูปสวยงามให้กราบมีโบสถ์มี เจดีมีอะไรมีการเทศเป็นการเป็นเวลาเทศบาลานฟังไปพอหอมปากหอมคอเป็นพิธีคนนั่งมักจะหาเสาหาฝาผนังเวลาพระตั้งนโมก็พิงเสาพิงฝาผนังกันพนมมือคอพับ น้ำรับธรรมะพอพระแสดงสุดแสดงเอวังก็สาธุกันขึ้นแต่ช่วงที่กําลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่นี้ไม่รู้ว่าใจไปอยู่ที่ไหนใจบางท่านก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางท่านก็อดคุยกันไม่ได้ก็ทักทายกันคุยกันไป ่หยให้พระท่านเทศไปคนฟังก็คุยกันไปหรือบางพวกมีภาร ก, กิจก็ทาภาร ก, กิจกันไปเช่นในงานศพงานอะไรต้องคอยต้อนรับแขกคอยเอาน้าเอาอะไรมาเลี้ยงแขกช่วงที่พระเทศก็ก็ยังไม่หยุดกันอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้การกระทำเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นตัวสะพาน เชื่อมฟากของพระนิพพานเป็นเพียงแต่เป็นทางที่จะขึ้นสะพานอีกทีดังนั้นถ้าพวกเราปฏิบัติแบบนี้ก็ขอให้ ร, รู้ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นสะพานกันอย่าไปคิดว่าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเรากําลังเดินข้ามฟากกันจะเดินข้ามฟากกันนี้ต้องปฏิบัติอแบบ มีกิจจลักษณะสะพานนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองเลนมีเลนช้ากับเลนเร็วเลนช้าก็สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะสำหรับรถที่ยังวิ่งช้าอยู่รถที่บรรทุกของหนักๆเช่นสิบล้อยี่สิบล้อนี่จะวิ่งเร็วไม่ได้ส่วนเลนขวานี้เป็นสำหรับรถที่วิ่งเร็ว มีคู่โดยสารน้อยมีของบรรทุกน้อยไปได้อย่างรวดเร็วก็เป็นแบ่งเป็นสองเลนด้วยกันถ้าเปรียบเทียบก็คือเลนของนักบุญกับเลนของนักบวชนักบวชนี้เขาไปได้เร็วกว่าเพราะเขาไม่มีอะไรพลงพลังนักบวชนี้เขาไปได้ช้ากว่าเพราะเขายังมีครอบครัวยังมีทรัพสมบัติมีธุรกิจ มีอะไรต่างๆที่เขายังต้องคอยจัดการคอยดูแลอยู่มีคนนั้นคนนี้ที่ยังต้องคอยดูแลจึงไม่สามารถที่จะไปได้อย่างรวดเร็วการปฏิบัติระหว่างสองเลนนี้จึงแตกต่างกันคือความเข้มข้นแตกต่างกันเช่นเลนของนักบุญนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ ทำทานให้รักษาศีลห้าแล้วก็ให้หัดภาวนากันภาวนาก็แล้วแต่จะสะดวกมีเวลาว่างตอนไหนพอที่จะหาเวลาว่างได้ก็ลองหัดนั่งสมาธิบ้างเช่นตอนก่อนนอนหรือตอนที่ตื่นมาก่อนที่จะไปทำงานทำการมีธรรมเนียมให้ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนนอนหรือหลังจากตื่นนอนของผู้คลองเรือนของคารวะผู้คลองเรือนแต่กิจที่คารวะจะทํากันเด่นที่สุดก็คือการทําทานเพราะเป็นกิจที่คารวะพร้อมมีข้าวของเงินทองที่จะสามารถทํากิจนี้ได้อย่างอย่างง่ายดายจึงจึงมีการทําบุญทําทานเป็นหลัก แล้วก็รักษาศีลห้ากันเป็นนิจสินแล้วก็พอมีเวลาว่างช่วงก่อนนอนหรือหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตทำจิตใจให้สงบนี่ก็คือระดับของนักบุญจะทำได้ก็เพียงตอนนี้เพราะว่าไม่มีเวลาพอพก็ยังต้องมีภารกิจการงานต่างๆมีความรับผิดชอบ ต่อสิ่งต่างๆต่อบุคคลต่างๆอยู่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แบบนักบวชยังไม่สามารถเข้าเลนขวาได้ต้องวิ่งเลนซ้ายไปเรื่อยๆก่อนส่วนพวกที่สามารถที่จะออกบวชได้พวกนี้เขาก็จะไปได้อย่างรวดเร็วมากเร็วกว่าเพราะว่าเขาสามารถที่จะ ทุ่มเทวเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นเช่นการปฏิบัติของนักบวชนี้ก็จะตัดเรื่องทานไปเพราะว่าก่อนจะเป็นนักบวชก่อนจะบวชได้ก็ต้องทำทานให้หมดก่อนคือมีสมบัติข้าวของเงินทองมีอะไรที่เป็นพลุงพลังนี้ก็ให้ทำบุญไปให้หมด นักบวชนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้มีสมบัติมากกว่าแปดชิ้นคืออัฐบริคานเวลาบวชนี้ท่านไม่ได้ให้เอารถเก๋งมาด้วยไม่ให้เอาบ้านมาด้วยไม่ได้ให้เอาลูกเอาภรรยามาด้วยไม่ได้ให้เอาสมบัติต่างๆมาด้วยท่านบอกว่าให้ทําทานไปให้หมดยกให้คนอื่นไปภรรยาก็ยกให้คนอื่นไปลูกก็ยกให้คนอื่นไป รับสมบัติข้าวของเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปอย่างหลวงปู่ขาวท่านก็ยกภรรยาให้คนอื่นไปเมื่อคนอื่นเขาอยากจะมาได้ภรรยาของท่านแล้วภรรยาของท่านก็อยากจะได้คนอื่นท่านก็ยอมยกให้เขาไปแล้วท่านก็ไปบวชคนที่จะไปบวชได้ต้องเอาสัมภาระต่างๆที่อยู่ในรถนี้ทิ้งไปให้หมดรถมันจะได้เบาจะได้วิ่งได้เร็ว ถ้าบรรทุกสัมภาระต่างๆเหมือนรถสิบล้อนี้กว่าจะขึ้นสะพานได้ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วเปลี่ยนเกียร์อีกกว่าจะขึ้นได้ก็ไปอย่างทุรักทุเลถ้ายังเป็นคาลาวาสอยู่จะให้ปฏิบัติศีลสมาธิอย่างเข้มข้นเต็มร้อยที่เรียกว่าสุปฏิปันโนนี้ย่อมเป็นไปได้ยาก แต่ก็ต้องเริ่มต้นที่เลนช้าก่อนดีกว่าไม่ขึ้นสะพานเลยดีกว่าพวกที่ยังอยู่ติดกับถนนเชื่อมสะพานอยู่พวกที่ปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ถือว่าได้ขึ้นสะพานแล้วแต่ยังอยู่ในเลนช้าอยู่แต่ยังดีกับพวกที่ชอบทำบุญบังสังส่วนชอบสร้างนูน่นสร้างนี่ชอบถวายนูน่นถวายนี่ ไปอินโดอินเดียไปอะไรต่างๆเหล่านี้เือว่ายังไม่ได้ขึ้นสะพานนะพวกที่ขึ้นสะพานนี้เป็นพวกที่ทำทานตามปกติเช่นใส่บาตรเนียใส่บาตรเป็นประจำทุกวันเป็นชาวบ้านมีพระเดินบิณฑบาตผ่านมาก็ใส่บาตรหรือถ้าไม่มีพระอยากจะใส่บาตรก็ใส่กระปุกก่อนก็ได้ อย่างนี้มีกระปุกเป็นรูปบาทก็เอาเอาเงินที่ต้องการจะใส่บาทก็ใส่ไปในกระปุกนะแล้วพอมีเวลาว่างวันไหนไปวัดก็เอาเงินนี้ไปถวายวัดเป็นค่าอาหารเป็นค่าบำรุงวัดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็ได้ก็ถือว่าได้ทำทานทุกวันการปฏิบัติจริงๆนี่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่ทาตามอารมณ์ ทำบุญเฉพาะวันเกิดบ้างวันครบรอบบ้างวันปีใหม่บ้างวันวิสาขะวันมาฆาบ้างถ้าทำแบบนี้ยังเป็นพวกบุญบังสังส่วนอยู่อย่างพวกที่ยังไม่ได้ขึ้นสะพานพวกที่กำลังขึ้นสะพานกันแต่พวกที่ขึ้นสะพานแล้วนี้ต้องทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอต้องยึ ต้องทำแบบไม่ให้เสื่อมทำแบบไม่ให้ขาดจะมากจะน้อยก็แล้วแต่กำลังแต่ทำแล้วก็ต้องรักษาระดับของการกระทำไว้ไม่ให้มันเสื่อมมีแต่จะให้มันคงอยู่หรือให้มันมากเพิ่มขึ้นไปถึงจะสามารถวิ่งขึ้นวิ่งไปตามสะพานได้ต้องทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องทำบุญทุกวัน รักษาศี่ห้าก็รักษาทุกวันภาวนาก็ภาวนาทุกวันอันนี้เป็นเป็นเรื่องของนักบุญแล้วก็ในวันพระก็ลองมาหัดเป็นนักบวชสักหนึ่งวันเพื่อต่อไปเวลาที่มีกำลังมากขึ้นก็จะได้ไปเป็นนักบวชได้ถ้าไม่มาหัดเป็นนักบวชเลยก็จะไม่สามารถไปเป็นนักบวชได้ก็เลย อาทิตย์หนึ่งก็ลองสละเวลาหนึ่งวันมาหัดเป็นนักบวชกันมาถือศีลแปดกันถือศีลอุโบสถเนี่ยไปอยู่ในพระอุโบสถเนี่ยไปอยู่ในโบสถ์ไปอยู่ในวดัดเนี่ยไปอยู่ไปฝึกไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาไปไหว้พระสวดมนต์เพื่อให้เกิดสติไปนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบก็จะได้ ฝึกศีลสมาทิปัญญาในระดับของนักบวชก็เหมือนกับวันนั้นก็จะเอาข้าวของที่ติดอยู่บนรถเอาลงไว้แล้วก็จะได้วิ่งถรถเปล่าสกวันหนึ่งวิ่งถรถเปล่ากขาจะรู้สึกว่ า, าทำไมวิ่งเร็วกว่าเก่าเยอะแยะก็เพราะว่ามันไม่หนักมันไม่มีอะไรถ่วงนี่พระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาวันทำมัสวรณะวันฟังธรรม วันให้พวกเรามาเข้าวัดกันเพื่อมาหัดเป็นนักบวชกันนั่นเองแล้วถ้าเราลองได้กระทำแล้วถ้าทำอย่างเข้มข้นถึงแม้จะเป็นเพียงวันเดียวแต่ก็ทำแบบเข้มข้นเต็มร้อยไม่ทะเลาไหลไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นพยายามรักษาศีลแปดให้บริสุทธิ์พยายามฟังเทศฟังธรรมสลับกับการเจริญสตินั่งสมาธิ ถ้าทำอย่างนี้ไม่ไปทำกิจอย่างอื่นตลอดระยะเวลาที่อยู่วัดในวันนั้นรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมถ้าที่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ในระดับของนักบุญหรือในระดับของนักบุญบุญบังสังสวดทั้งหลายจะต้องมาอยู่ในระดับนักบวญจะต้องอยู่ในระดับการเจริญจิตตภาวนา มีการเจริญสติคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้จิตลอยไปลอยมาไปอดีตไปอนาคตไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ให้ดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้กําลังอยู่ที่ไหนก็ให้จิตอยู่ที่นั่นกําลังทําอะไรก็ให้จิตรู้อยู่ว่ากําลังทําอะไร หรือถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ต้องใช้คำบริกรรมดึงมาคำบริกรรมนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะคอยดึงจิตให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันเพราะถ้าไม่บริกรรมเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านเดี๋ยวก็คิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้แล้วอยู่วัดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะ ใจไม่ดีอยู่วัดใจอยู่บ้านแต่ร่างกายอยู่วัดก็อย่ามาให้เสียเวลาถ้ามาวัดแล้วต้องมาทั้งกายทั้งใจกายก็อยู่วัดใจก็ต้องอยู่วัดอยู่กับร่างกายเกาะติดอยู่กับร่างกายเฝ้าดูล่างกายอาศัยร่างกายเป็นที่ตั้งสติเป็นอาศัยร่างกายเป็นที่ดื่มจิตให้ตั้งมั่น ไม่ให้ลอยไปในอดีตไม่ให้ลอยไปในอนาคตไม่ให้ลอยไปที่นั่นที่นี่ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในที่นี้เดี๋ยวนี้ถ้าสามารถฝึกสติแบบนี้ได้เวลานั่งสมาธินี้จิตจะเข้าสู่ความสงบได้พอจิตสงบเมื่อไหร่ก็จะได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่จะไม่มีอะไรที่จะ เหมือนที่จะดีเท่าได้อย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติฟังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีใครได้สัมผัสกับรสแห่งธรร ม, มแม้จะเป็นชั่วงูแลบลิ้นก็ตามหรือเหมือนกับการได้สัมผัสรสแกงเพียงหยดเดียวก็ตามจะรู้จากรสนั้นทันทีว่าวิเศษอย่างไร และจะเกิดฉันทะวิริยะเกิดความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะทำให้ลดแห่งธรรมนั้นปรากฏมากขึ้นมาตามลำดับ mm. ก็จะรู้ว่าต้องมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นทำวันเดียวได้แค่นี้ถ้าอยากจะให้มันมากกว่า น, นี้ก็ต้องเพิ่มวันปฏิบัติก็เพิ่มเป็นสองวันถ้าลองได้สัมผัส ก, กับลดแห่งธรรมแล้วนี้ บางคนอาจจะขอเจ็ดวันเลยก็มีลาออกจากงานลาลาจากครอบครัวไปอยู่คนเดียวไปอยู่วัดครั้งนั้นเนี่ยนานๆหลายๆวันถ้ายัางทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรไม่ได้ทันทีทันใดก็จะหาเวลาเข้าวัดเพิ่มมากขึ้นตอนเริ่มแรกก็ไปแค่อทิตย์ละครั้งต่อมาก็อาจจะเอาอาทิตย์ละสามวันครั้งละสามวันหรือห้าวันเจ็ดวันบ้าง เดือนหนึ่งบ้างถ้าเข้าพรรษาก็อยู่ทั้งสามเดือนบ้างทางอย่างนี้ไปไม่นานต่อไปก็พร้อมที่จะไปอยู่ประจำไม่เป็นนักเรียนไปเช้าเย็นกลับนะจะไปเป็นนักเรียนประจำนักเรียนประจำนี้มักจะเรียนดีกว่านักเรียนที่ไปเช้าเย็นกลับเพราะพวกที่ไปเช้าเย็นกลับนี่พ่อแม่ไม่ค่อยคุมเข้ม กลับบ้านก็ปล่อยให้เล่นให้ทําอะไรไม่ค่อยดูว่าทําการบ้านหรือเปล่าดูหนังสือหรือเปล่าแต่เวลาที่อยู่ในอยู่โรงเรียนประจํานี่ครูเขาจะคอยควบคุมบังครับถึงเวลาทําการบ้านแล้วนะถึงเวลาอ่านหนังสือแล้วนะไม่ใช่เวลาเล่นไม่ใช่เวลาดูทีวีอันนี้เด็กนักเรียนกินนอนมักจะเรียนดีกว่าเด็กนักเรียนที่ไปเช้าเย็นกลับ ฉันได้ผู้ปฏิบัติแบบไปเช้าเย็นกลับกับผู้ที่อยู่ประจําก็แบบเดียวกันผู้ที่อยู่ประจํานี้มักจะเรียนได้เกรดดีพวกที่เรียนพวกที่ไปเช้าเย็นกลับน like ี้มักจะเรียนไม่เกรดไม่ดีสอบมักจะสอบตกสอบไม่ผ่านส่วนพวกที่เรียนอยู่ประจํานี้มักจะสอบผ่านกันสอบขั้นโสดาบันก็ผ่านสอบขั้นสกิดาคามีก็ผ่าน สอบขั้นอาณาคามีก็ผ่านสอบขั้นอาราหันก็ผ่านส่วนพวกที่ไปเช้าเย็นกลับนี่สอบทีไรยังตกทุกทีก็เลยเจ็บใจต้องลองไปอยู่ประจําบ้างในเมื่อไปเช้าเย็นกลับมันไม่ยอมสําเร็จทั้ทีชักเข้าชักออกอยู่นั่นเหมือนเอาน้ําเข้าตัวเย็นแล้วก็ออกตู้เย็นเวลาเข้ามันก็เย็นเวลามาอยู่วัดโอ้จิตใจเย็นสบาย พอกลับไปอยู่บ้านก็ร้อนขึ้นมารุ่มร้อนด้วยเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆจนทั้งวันหนึ่งก็จะต้องบ่นว่าวุ่นวายนอบ้านนี้วุ่นวายหนออไปอยู่วัดดีกว่าก็จะทำการร่ลำลากันขออนุญาตถ้าต้องขออนุญาตก็ขออนุญาตกันให้เรียบร้อย แล้วก็ไปอยู่วัดเป็นประจำขอไปเป็นนักเรียนประจำนะเพราะว่าเป็นนักเรียนไปเช้าเย็นกลับนี่มันยังเรียนไม่จบสักทีอยากจะเรียนให้มันจบเร็วๆเพราะว่าเวลามันไม่มีตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วชีวิตก็อาจจะยุติลงได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่รีบทําเสียตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเกิดตายไปก่อนแล้วยัง สอบไม่ผ่านยังทำงานไม่สำเร็จกลับมาชาตินี้อาจจะไม่มีสะพานให้เราเดินข้ามก็ได้ไม่มีเพราะพระพุทธศาสนาอันนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าคงอยู่ได้ประมาณห้าพันปีตอนนี้ก็มาครึ่งกว่าแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบสองปีแล้วดังนั้นถ้าเราไม่รีบ เวยโอกาสในตอนนี้แบบโบราณที่พูดว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะถ้าเรามัวแต่อ่อเอเอกันผัดวันประกันพรุ่งกันเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ยังมีเวลาเยอะอยู่ตอนนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ขอเที่ยวก่อนนะเดี๋ยวไว้แก่แล้วค่อยเข้าวัดเวลาแก่เข้ายิงเวลาแก่เข้าวัดก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะเห็นคนแก่เข้าวัดไหมจะเดินเองก็ยังเดินไม่ไหว แล้วจะไปเดินจงกรมได้ยังไงจะสวดมนต์ก็ยังสวดไม่ไหวไม่มีแรงสวดจะยกมือพนมนก็ยังยกมือไม่ได้เขาเต็งบอกว่าเวลาเข้าวัดเนี่ยให้เดินเข้าวัดอย่าให้คนเขาห่ำห่ำเข้าวัดเวลาสวดมนต์ก็ให้สวดเองย่า ดูเขาเมื่อเวลาสวดมนก็อย่าให้พระสวดให้เราให้สวดเองถ้าไปแบบนั้นไม่ได้ประโยชน์ไปแบบนั้นไม่มีได้ประโยชน์อะไรจะทำบุญต้องทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าทําตอนที่ตายไปแล้วได้น้อยได้เพียงแต่บุญที่ญาติโยมทำให้ส่งไปให้เท่านั้นเองคือได้เซี่ยวหนึ่งได้เพียงร้อยละสิบของบุญ ถ้าทำเองได้จะได้ร้อยทางร้อยอย่นั้นต้องพยายามรีบขวนขวายคอยเตือนสติอย่าประมาทให้นึกถึงคําสอนที่ทรงเตือนสอนอยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังข้ามสะพานกันหรือว่าเรากําลังอ ไปวนเวียนกันอยู่ตามศูนย์การค้าตามแหล่งบันเทิงตามสถานที่ท่องเที่ยวถ้าไม่ถามตัวเองบางทีมันลืมนะมันเผลอสองอย่งนี้ต้องคอยเตือนอยู่เรื่อยๆมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขึ้นสะพานเนี่ยว่เราจะได้รีผ่านรถกลับรีบไปขึ้นสะพานนะเดี๋ยวต่อไปสะพานมันมันขาดแล้วไปไม่ได้นะต่อไปไม่มีสะพานข้ามก็จะไม่ได้ไปนะ แล้วเราจะเสียดายเสียใจเพื่อนๆ น, นเขาไปกันหมดแล้วเดี๋แล้วเราอยู่ฝฟากนี้คนเดียวเออแม้เพื่อนๆนที่มานี่หายไปหลายคนแล้วไหเขาไปขึ้ น, น, น, นสะพานกันแล้วเนี่ยพวกเรายังโอเออยู่แถวนี้อยู่นะต้องคอยดูตัวเองถามตัวเองวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่ ถ้าไม่ถามมันจะหลงจะลืมถ้าเตือนสติอยู่ทุกวันว่าเรากำลังอยู่เรายังปฏิบัติแบบนักบวชหรือแบบนักบุญหรือเราไม่ปฏิบัติเลยอันนี้มันจะได้รู้ว่าความก้าวหน้าความคืบหน้าของเราอยู่ตรงไหนเราจะได้รีบแก้ไขรีบพัฒนาให้มันจากการที่ไม่ขึ้นสะพานให้ขึ้นสะพานสักที พอขึ้นสบานอยู่เลนช้ายแล้วเลนช้าแล้วก็บางทีหัดอลองเข้าเลนขวาบ้างอาทิตย์ละวันก็เข้าเลนขวาเข้าเลนเร็วอพอเลนเข้าเลนเร็วรูเสึกว่ามันดีวิ่งเร็วกว่าเลนเลนซ้ายก็อาจจะเข้าหลายวันก็ได้ตอนต้นก็เข้าวันเดียวก่อนพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ได้จากการปฏิบัติแบบนัก บ, บวชมันก็จะเกิดศรัทธาเกิดแรง ดึงจูงใจที่อยากจะให้ปฏิบัติมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะก็จะเพิ่มวันของการปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่ามันจะไปของมันเองพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่สตาร์ตติดแล้วเมื่อก่อนนี้ต้องอาศัยรถขนนอญเขาคอยดันอยู่เรื่อยๆถึงจะวิ่งต้องอาศัยคนนั้นคอยดึงคนนั้นคอยดันต้องมีเพื่อนมาชวนไปวัดถึงจะไปกัน ถ้าอยู่เฉยๆนี่มันไม่มีมัไม่มีแรงรถมันไม่ติดมันวิ่งไปเองไม่ได้แต่พอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้ก็เหมือนกับสตาร์ทรถติดแหละทีนี้มันไม่ต้องรอให้คนมาคอยดึงมาคอยดันนละมันจะขับไปเองมันอยากจะเข้าวัดอยู่เรื่อยๆพอมีเวลาว่างวันไหนมันก็จะแวบเข้าวัดทันทีวัดไปหาที่สงบคําว่าวัดนี่ก็ไม่ได้หมายคำว่าวัดอย่างที่เราเข้าใจ วัดที่ต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระสงฆ์องค์เจ้ามีการปฏิบัติมีการสวดมีการพิธีกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่ใช่วัดที่เราควรจะไปกันเราควรจะไปวัดที่พระพุทธเจ้าไปรูไหมว่าพระพุทธเจ้าก็มีวัดเหมือนกันพระพุทธเจ้าวัดของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ในป่าในเขานี่แหละพระพุทธเจ้าตัดชะลูกที่ไหน สราทะที่โคนต้นโพอยู่ในป่านะไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในวังนี่คือวัดที่แท้จริงคำว่าวัดนี่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นที่เอื้อต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาสถานที่ที่จะเอื้อต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องคือสถานที่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผทธพนี่เองห่างไกลจากแสงสีเสียงต่าง พอถ้าอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้แล้วมันจะมาคอยกวนใจมันจะมาคอยเขย่าใจให้กระเพิ่มอยู่เรื่อยๆพอได้ยินเสียงคนปับ๊บได้ยินเห็นรูปคนปั๊บนี่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไปอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเช่นตามป่าตามเขา ถึงแม้จะมีรูปเสียงกลิ่นรสแต่ก็ไม่ใช่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาลบกวนใจรูปของภูเขารูปของต้นไม้ใบหญ้าไม่มีอะไรไม่ไม่มีผลอะไรต่อจิตใจเสียงของนกเสียงของลมพัดนี่ไม่มีผลอะไรต่อจิตใ จ, เ, เ, ต จ, ตใจเหมือนกับเสียงของคนเสียงเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆจำเป็นที่จะต้องไปหาวัดแบบนี้ เรยเรียกว่าปรีกวิเวกนี่เองการไปวัดที่แท้จริงก็คือการไปปรีกวิเวกไม่ให้ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆบางทีไปวัดแล้วก็ยังไปนั่งบูนบังสังสวดกันอยู่ในวัดนั่นและไม่ไม่ต้องไปทำอันนี้ไม่ใช่เป็นที่ทาไม่ใช่เป็นวัดสำหรับผู้ภาวนาวัดของผู้ภาวนานี้มีแต่ทางเดินจงกรมมีแต่ที่นั่งสมาธิ มีแต่การฟังเทศฟังธรรมตามเวลาฟังเทศฟังธรรมสลับกับการปฏิบัติเพราะว่าถ้าไม่ฟังเลยก็จะหลงได้จะทำผิดได้ก็ต้องมีการฟังเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ต้องฟังบ่อยฟังพอให้รู้ว่ากำลังไปถูกทางหรือไม่ถ้าไม่ถูกทางก็ไปฟังธรรมกันใหม่เหมือนกับดูแผนที่ เวลาที่เราขับรถไปในทางที่เราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยแผนที่พอเราถึงทางแยกเราก็มักจะต้องเปิดแผนที่ดูว่าเฮ้ยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาะหรือตรงไปพอเจอทางแยกทีก็ต้องเปิดดูแผนที่ทีว่าไปถูกทางหรือเปล่าถ้าไปไม่ถูกทางจะได้เลี้ยวกลับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากมันจะหลงทางจึงต้องมีการฟั่งเทศฟังธรรมสลับกับการปฏิบัติน แต่การปฏิบัตินี้ต้องมากกว่าการฟังเทศฟังธรรมเพราะผลจะเกิดขึ้นไม่ต้องเกิดจากการปฏิบัตินอกจากผู้ที่มีบารมีสูงฟังเทศฟังธรรมแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเครื่องนี้แสดงว่าได้ปฏิบัติมาอย่างโชคโชนแล้วขาดแต่เพียงแต่ธรรมะหรือปัญญาที่จะบอกทางที่ถูกต้องว่าไปทางไหนเท่านั้น พวกนี้เขาก็ไม่ต้องปฏิบัติคือพวกที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วพวกที่มีฌานมีสมาธิแล้วสามารถเข้าฌานได้ทุกเวลาสามารถหยุดจิตได้ทุกเวลาหยุดความโลภความอยากได้ทุกเวลาแต่ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมต้องหยุดมันพอมาได้ยินได้ฟังปัญญาว่าที่ต้องหยุดมันเพราะว่ามันเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองความโลภความอยากต่าง เป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราไม่รู้จักจบจากสิ้นเราต้องหยุดมันเวลาเกิดความโลภ ก, ก็ต้องหยุดมันเวลาเกิดความอยากก็ต้องหยุดมันพวกที่ก็มีศีลมีสมาธิแล้วเขาก็มีกําลังพอรู้ว่านี่คือศัตรูไม่ใช่เป็นมิตรเมื่อก่อนคิดว่าเป็นมิตรทําอะไรตามความอยากแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขอยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวก็มีความสุขขึ้นมา ก็เลยไม่เห็นความอยากว่าเป็นเป็นศัตรูแต่อย่างใดก็เลยคิดว่าเป็นมิตรพอมาชวนก็ไปกับมิตรเพราะมิตรมิตรย่อมหวังดีแต่ที่ไหนได้หารู้แมว่ามิตรนี้ไม่ได้เป็นมิตรที่หวังดีมิตรเอาความสุขเล็กๆน้อยๆ้มาล่อเพื่อที่จะจับเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ปลาที่เห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอโนโุชาคิดว่าได้กินแล้วจะได้อิ่มหนำสำราญใจแต่หารู้ไหมว่าภายใต้เหยื่อนั้นมีตะขอเบ็ดรอเกี่ยวปากอยู่พอไปฮุเบเหยื่อเข้าก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็ถูกคนที่เขาตกปลานี้ฉุดลากขึ้นไปไปต้มในหม้ อ, อกแกงต่อไปจันใดความอยากต่างๆก็เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้ มันจะคอยดึงจิตดึงใจของพวกเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้นะถ้าเป็นกามะตสันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะติดในกายภพนะถ้าเป็นภาวะตันหาก็จะไปติดในรูปภพนะถ้าเป็นวิภาวะตันหาก็จะไปติดอยู่ในอรูปภพนะนะแต่นี่เราจะไม่มีวันรู้ได้ถ้าไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกว่าเฮ้ hey, นี่เป็นแบ็ดนะเว้ย มีแบ็อยู่ภายใต้เหยื่อนี่นะอย่าไปฮุบนะเวลาเจอมันถอยไปอปลาฉลาดนานา จ, จะมีปลาฉลาดมาเตือนพวกปลางโง่กันสักครั้งพวกปลางโง่นี่พอเห็นเหยื่อก็วิ่งเข้าใส่เลยฮุบเลยแล้วก็ถูกเขาเกี่ยวขึ้นไปต้มแกงทันทีนานา จ, จะมีปลาฉลาดมาคอยเตือนว่าอย่าไปนะเวลาเห็นเหยื่อลอยอยู่เฉยๆนี่ ดูสังเกตดูว่ามันมีสายอะไรเกี่ยวกันหรือเปล่าถ้าเห็นสายก็อย่าไปตะมันนะอมันจะทําให้จะต้องอถูกเขาจับลากขึ้นไปลงหม้อแกงนะอ่านี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคําสอนเนี่ยจะไม่มีใครมาเตือนมาบอกพวกเราว่าความอยากต่างๆเนี่ยการมาตัณหาภวะตัณหาวิปวะตัณหานี่เป็นภัยอันตรายต่อจิตใจ เป็นข้าศึกษัตรูของจิตใจไม่ใช่เป็นมิตรอย่างที่เราคิดกันเพราะเราเห็นประโยชน์ที่เราได้จากการทำตามความอยากใช่ไหมเวลาอยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวก็ดีใจสนุกสนานกันเวลาอยากได้ของได้อะไรพอได้มาก็ดีใจกันแต่เราหารู้ไหมว่าได้มาแล้วความอยากมันไม่หมดพอได้แล้วมันก็อยากได้อีกมันจะอยากได้ไปเรื่อยๆ แล้วพอเกิดร่างกายนี้ตายไปความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันติดอยู่ในใจมันใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ดึงให้ใจมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปมาเกิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเรามาเกิดมามีร่างกายนี้ไม่รู้กี่ล้านล้นะานแล้วยาวคำว่าล้านมาคูนล้านก็ยังไม่พอ แต่อยากจะรู้ว่ามากน้อยเพียงไรก็เอาน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละชาตินี้มารวมกันมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือผลที่เราได้รับจากการเห็นความอยากเป็นมิตรของเราพอมาชวนเราแล้วก็ตอบรับถนองเขาทันทีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไหมไปเลยไปกินไปดื่มไหมไปเลยไปชอปปิ้งกันไหมไปเลยไปวัดไหมยังไม่ว่า เพราะว่าเห็นว่าการไปวัดนี้เป็นศัตรูไปแล้วมันทุกมันไม่สนุกเหมือนกับไปเที่ยวไปวัดแล้วไปนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆแล้วหงุดหงิดลำคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงายังถ้าเป็นอย่างนี้ยังไปไม่ได้ต้องหัดต้องหัดฝึกที่บ้านก่อนหัดฝึกทําจิตใจให้สงบบ้างก่อนให้มีสติบ้างก่อนให้มีอะไรทําเป็นเวลาไปอยู่คนเดียว ถ้า อ, อยู่คนเดียวแล้วไม่มีอะไรทำได้นี่อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือปัญญาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่นานๆพวกเราจะได้มาได้ยินได้ฟังกันทุกครั้งหนึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้เพราะในการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้อาจจะไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาเลยก็ได้หรือเจอก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าวัดกันก็ได้ อย่างคนไทยที่รับถือพุทธเนี่ยมีกี่คนที่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันแบบเป็นกิจจาลักษณะไม่มีฟังก็แบบทัพพีในหม้อแกงขอพระตั้งนโม ก, ก็ขอพับกัน <c oughs> ฟังแบบไม่ได้เข้าหูเข้าหูซ้ายออกหูขวาแต่ไม่เข้าไปในใจไม่ได้ฟังแบบดิ้นกับแกงถ้าฟังแบบดิ้นกับแกงนี้จะได้ยินได้ฟังจะเข้าใจเรื่องตัณหา ว่าเป็นเหตุของการพาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้น <Yeah. S 1> ต้องได้ยินได้ฟังธรรมได้พบกับพระพุทธศาสนาถึงจะเห็นโทษของกามรทตันหาภาวตันหาวิภาวะตัญหา <Yeah. S 1> แล้วพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมถ้ามีกำลังมีศีลมีสมาธิ ก็สามารถหยุดกามรมาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาได้เลยนะอย่างพระอัญญาณโกลทัญญาหลังจากที่พระเจ้าทรงสแสดงพระธรรมจากกับปะวะตตนสูตรเนั้นแสดงมักแปสแสดงอริยสัจสี่ท่านก็เข้าใจเลยท่านก็เลยบรติรู้รมขั้นที่หนึ่งได้อย่างง่ายได้ไม่ต้องทำอะไรเข้าใจฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ทาได้ ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้ท่านมีกํำลังมีสมาธิมากมีฌานผู้ที่ฟังแล้วยังทําใจไม่ได้แสดงว่ายังไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็ต้องกลับไปฝึกหัดสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิทําจิตให้เข้าฌานให้ได้ถ้าจิตเข้าฌานได้แล้วทีนี้ก็มาพิ จ, จารณาความไม่เที่ยงของร่างกาย ของเวทนาว่าเกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถ้าไปยึดไปถือจะทำให้เกิดความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้ปล่อยวางถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถปล่อยวางได้ตัดการที่จะมามีร่างกายต่อไปได้ในระดับหนึ่งอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วนี้จะยังต้องมีการฟังธรรมไปอยู่เรื่อยๆพอเวลาผ่านระดับที่หนึ่งได้ผ่านข้อสอบข้อที่หนึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปเจอข้อสอบข้อที่สองต่อไปคำตอบของข้อที่สองก็ต่างจากคำตอบของข้อที่หนึ่งเช่นพอขึ้นจากขั้นโสดาบันไปสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นพระอนาคามีนี้คำตอบจะไม่เหมือนข้อที่หนึ่งะคตอบนี้จะต้องเปลี่ยนต้องหาคาตอบมา มาแก้โจทย์โจทย์ก็คือการอารมณ์พระโสดาบันนี้ยังไม่สามารถกําจัดการอารมณ์ได้เพียงแต่กําจัดความยึดติดในร่างกายในความเจ็บความรู้สึกของทางร่างกายได้ไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายแต่ยังมีความปรารถนามียังหาความสุขจากร่างกายของผู้อื่นอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่ ก็ต้องมาเจริญอสุภกรรมฐานมาดูความเป็นจริงของร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนั้นนอกจากอาการที่เห็นอยู่ภายนอกแล้วยังมีอาการที่ไม่เห็นอยู่ภายในซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังคืออวัยวะต่างๆโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตลำไส้ของที่ไม่น่าดูทั้งหลายมีอยู่ในร่างกายที่น่าดูที่อยู่ภายนอก แล้วนอกจากนั้นร่างกายก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้น่าดูไปตลอดอนาคตมันก็จะต้องเหี่ยวมันก็จะต้องแก่แล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นซากศพไปต้องดูหลายสัตว์หลายส่วนหลายมุมมองด้วยกันของร่างกายจึงจะทําให้เกิดปัญญาเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่น่ารักน่าชมเลยไม่น่าปรารถนาที่จะได้มาเป็นคู่ครองเลยะ พอเห็นอย่างนี้ก็จะตัดการอารมณ์ได้ถ้าตัดการอารมณ์ได้อยู่คนเดียวก็จะไม่เหงาไม่รู้สึกว่าเวความเหงาความว่าเวนี้เกิดจากความอยากมีแฟนอยากมีเพื่อนพอเราเห็นว่าแฟนหรือเพื่อนนี้เป็นถีดีๆนี่เองก็เลยไม่มีดีกว่าถ้าแฟนเราเพื่อนเราไม่หายใจวันนี้แล้วยังจะให้เขาเป็นแฟนเป็นเพื่อนเราอยู่หรือเปล่าส่งไปวัดกันทั้งนั้นใช่ไหมนะเราไม่เห็นว่าเขา เป็นเหมือนผีเดินได้ผีที่ยังหายใจได้ดีๆนี่เองเป็นศพที่ยังหายใจได้แต่ถ้าเราพิจารณาอนาคตของร่างกายนี้เราก็จะรู้ว่าต่อไปมันต้องเป็นศพแน่นอนตอนนี้มันเป็นมันเป็นศพที่ยังหายใจได้เท่านั้นเองพอมันไม่หายใจปั๊บนี่เรารีบส่งไปเลยไม่ขออยู่กับเขาแล้วไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนนะนี่คือการพิจารณาอสุภา เพื่อที่เราจะได้ทําโจทย์ข้อที่สองและข้อที่สาได้ข้อที่สองข้อที่สานี้เป็นโจทย์อันเดียวกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันข้อที่สองนี้ถ้าทําให้มันหายไปสักครึ่งหนึ่งก็ถือว่าผ่านแลถ้าทําให้การมารมดับไปสักครึ่งหนึ่งเบาบางลงไปท่านเรียกว่าภระสกิดาคามีนี้สามารถทําให้การมารมณ์เบาบางลงไปความหงุดหิดใจที่เกิดจาก การมาลลมน้อยลงไปเบาบางลงไปก็ได้ขั้นที่สองขั้นสกิดาคามีแล้วถ้าทําให้การมาลลมดับไปหมดเลยความหดเย็ดความเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเวก็จะหายไปหมดนี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นของบาอาณาคามีต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่การเจริญสุภาพมีเวลามากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองพระ พระสกิดาคามียังเจริญบ้างไม่เจริญบ้างบางทีก็เผอบางทีก็เจริญบางทีก็ไปเห็นร่างกายว่าสวยว่างามบางทีก็เห็นเป็นซากศพเนี่ยมันก็เลยสลับไปสลับมาบางทีก็ยังมีการมารมณ์บางทีก็ดับการมารมณ์แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี้จะเห็นเป็นซากศพตลอดเวลาจะเห็นอาการสาสองตลอดเวลาเห็นปั๊บเหมือนเจอเหมือนเหมือนตาเอ็กซเรย์นเหมือนตาซูเปอร์แมนเห็น ซูเปอร์แมนนี้มองทะลุเข้าไปในทุกสัตว์ทุกส่วนของร่างกายเห็นหน้าปั๊บก็เห็นกระโหลกศีรษะพร้อมๆกันไปเลยเห็นโครงเห็นร่างกายก็เห็นโครงกระดูกเห็นปอร์ดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆเห็นซากศพที่กําลังเดินได้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะคลายความกําหนัดยินดีไม่มีความอยากจะได้ใครมาเป็นแฟนอีกต่อไป นี้ก็จะผ่านขั้นที่สามไปพอผ่านขั้นที่สามก็ต้องไปทําโจทย์ขั้นที่สี่ปัญญาที่จะมาแก้ก็คนละเรื่องกันปัญญาที่จะมาแก้นี้จะไปแก้ที่เรื่องของจิตใจแล้วตอนสามขั้นแรกนี้แก้ที่ร่างกายจิตไปติดอยู่ที่ร่างกายก็เลยต้องใช้ปัญญามาแก้ที่ร่างกายก่อนปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตาย ปล่อยวางการอารมณ์ที่มีต่อร่างกายของผู้อื่นแล้วก็มาแก้ที่จิตเพราะยังมีจิตยังติดกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตอยู่ในจิตก็มีอารมณ์ที่ดีมีความสุขอะไรอยู่ยังติดอยู่กับเสิ่งต่างๆภายในจิตก็ต้องใช้ปัญญาคือตายลักมาสอนว่าเหมือนกับร่างกายมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ถ้าไปติดมันก็จะต้องทุกเวลาที่มันเสื่อมถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันมันจะสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปให้รู้ทันแล้วปล่อยวางแล้วจิตจะไม่วุ่นวายจิตจะสงบอันนี้ก็เป็นขั้นสุดท้าย<ม>การปฏิบัติจึงต้องมีครูมีอาจารย์เป็นขั้นเป็นตอนถึงจะไปได้เร็ว ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้จะไปช้าไปได้เหมือนกันแต่ช้าอย่างหลวงตาท่านก็เล่าให้ฟังท่านถึงขั้นที่สี่พอดีครูอาจารย์ของท่านตายไปซะก่อนหลวงปู่แม่นตายไปก่อนที่ท่านจะสำเร็จขั้นที่สี่ท่านก็ไปเจอปริศนาธรรมนจิตใจสว่างสวยัยแล้วก็มีธรรมปรากฏขึ้นมาในใจว่าที่ไหนมีจุดมีต่อมที่นั่นคือพบชาติท่านก็งงไม่รู้ว่าความหมายมัน คืออะไรพูดถึงอะไรเท่านบอกว่าถ้าไปเล่าให้หลวงปูม่ม่นฟังเนี่ยท่านหลวงปู่ม่านบอกไอ้ตัวนี้แหละชี้ไปไอ้ที่ตัวนี้แหละตัวที่คุณไปรักไปไปอยากอยู่นี่แหละคือความสุขความสว่างสวายภายในใจนี่ที่มันมันมั น, ม, นมันวิเศษมันเหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้ยิ่งกว่าเพชรก้อนเท่ากำปั้นเนียะ เพชรท่ากำปั้นนี้ยังส่วไอความวิเศษที่ปรากฏขึ้นมาในใจนี้ไม่ได้เห็นหมญาติยโยมผู้หญิงนี้ถ้าได้เพชรท่ากำปั้นนี้วันวันหนึ่งคงจะนั่งดูนั่งชมอยู่นั่นไม่ไปทําอะไรแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แหละต้องมีครูอาจารย์บอกว่าอะไรเป็นปัญหาจะต้องแก้อย่างไรเอนนั้นท่านไม่มีหลวงปู่มั่นท่านก็เลยต้องไปแก้เองท่านบอกต้องใช้เวลาต้องสามเดือนมั่ง ถึงจะมาล้องโอ้ภายในที่สุดว่าก้อยตัวนี้เองพอท่านปล่อยปับ๊บเจ็ดก็หลุดจากการยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายทั้งใจไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งสิ้นใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะความทุกข์ก็เกิดจากอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องกระทำกันถ้าเราเข้าสู่เลนเร็วถ้าเราสู่เลนขวาแล้ววิ่งเร็วแล้วเราต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติสลับกันไปลังเทศสังธรรมเป็นระยะระยะหรือถ้ามีคำถามรีบไปถามเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าเราไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเองตอนต้นก็ลองหาคำตอบดูก่อนเพราะจะไปถามทุกครั้งมันก็ไม่ควรต้องหัดลองแก้ปัญหาดูก่อน ทำโจทย์ของตนเองก่อนด้วยตนเองก่อนถ้าทำไม่ได้จริงๆแล้วค่อยไปกราบเรียนครูบาอาจารย์แล้วท่านจะช่วยเราได้แล้วเราก็จะได้ผ่านไปได้อย่างสบายนี่คือเรื่องของการเดินข้ามสะพานของพระพุทธศาสนาข้ามจากโลกโลกียะโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่โลกแห่งโล ก, กุตตะระโลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด มีแต่นิบบานังปละมังสุขขังที่เราพวกเราโชคดีที่ได้มีโอากาสได้มาพบสะพาน น, นี้อยู่ที่พวกเราว่าจะยอมจอ่ายค่าผ่านประตูหรือเปล่าเพราะสะพานก็เหมือนกับทางด่วนต้องมีด่านต้องมีเงินจ่ายเงินจ่ายก็คือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญานี่ง ที่เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาให้ได้สร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างวิริยะความภาคเพียรสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะเข้าสู่สะพานนี้ไปได้ข้ามภาคไปได้ถึงฝั่งที่ปลอดภัยได้ต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 อระโสยะถาสัพิต so ิโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวโตอันตราวโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวโนสุขัง าล า, าดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาใครมีคำถามจะถามเองก็ขึ้นมาถามที่ศาลามีไมโครโฟนให้ตอบให้ถามแต่ถ้าไม่อยากจะขึ้นมาก็ส่งข้อความเข้ามาเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทุติดตาม เฟซบุ๊กสามบคนครับ YouTube 268คนครับวิทยุออนไลน์ยี่ิบคนครับผู้รับฟังบนเขาสองสสคนครับรวมทั้งหมด8 4ด้อสี่สหคนครับ อ, จ า, อาจารย์อันน่าจะแปดนเพิครั้งที่สองวันที่แตะแดนาไม่เคยม700ั้งเจ็ดร้อยนส่สูงสุดแค่เจ0ร้อย อันนี้วันแรกมองนิวไฮมั้งไงเดี๋ยวก็จอนิวโลมีไฮก็ต้องมีโลธรรมดาไม่เป็นไรพูดกันสนุกสนุกทั้งสูงก็ได้ต่ำก็ได้เพราะพูดเท่ากันคนพูดก็พูดคนเดียวเหมือนเดิมอยากจะถามอะไรก็ยกมขึ้นเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้ อยากจะถามหรือเปล่าไม่ได้อยากใช่ไหมไม่ได้ถามเลยหนูก็อยากจะถามเหลวงพ่อเาเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปเลยพูดใกล้ๆปากนะเพราะไมโครโฟนค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าคนปฏิบัติไปถึงเป็นโสดาสกิทาค่ะแล้วก็ก็คือมาเกิดีนแค่ชาติเดียวก็ก็จะทำต่อไปได้เรื่องงานนี้ไม่หยุดเหมือนไฟไหม้ไฟไหม้ฟางมันก็จะไหม้ไปจนกว่าฟางมันจะหมด จ, จะเปลี่ยน<ม>พะเปลี่ยนชาติมันก็ยังปฏิบัติต่อได้เจ้าเป็นแต่ว่าจะปฏิบัติมากหรือน้อยเท่านั้นเองอโอกาสมันที่จะให้มีการปฏิบัติมันอาจจะไ ม, ไม่ไม่มากน้อยไม่เท่ากันแต่จะจิตมันหมุนละธรรมจักรเริ่มหมุนละไม่หยุดละปัญญามันหมุนละคแต่ถ้าเกิดในกรณีที่แบบว่าเหมือนมันจิตเสื่อมมันสามารถตกลงมาอ๋อนั้นยังอยู่ระดับสมาธิอยู่อันนี้ระดับ ภาลียาแล้วมันนี้ไม่ตกนะไม่มีตกแล้วใช่ไหมจิตไม่เสื่อมนะมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวเจ้าพาหลวงพ่อเพราะลูกไม่ทราบจริงๆก็เลยอยากถามหลวงพ่อได้ได้ก็ให้ถามเงนถึงบอกให้ถามเจ้าพาหลวงพ่ออันไหนตอบได้ก็ยินดีถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขอผ่านเจ้าพาก็คือไม่เสื่อมขึ้นไปแล้วไม่กลับมาเป็นปุตตูชนอีกเจ้าพาหลวงพ่อมีแต่จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆจจนถึงขั้นสูงสุดตามลําดับ เหมือนท่านถึงเรียกว่าโสดาแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสไงโสดาแปลว่ากระแสสู่พระนิพพานเหมือนผู้ที่ขึ้นทางด่วนเราขึ้นทางด่วนแล้วมันก็จะไปสู่จุดหมายเ้นทางด่วนมันไม่ไปทางอื่นแล้ว้ค่ะหลวงพ่อคคุณกับขอบพระคุณหลวงพ่อสาธุจ้ค่ะ่่ค่ะกักลับไป ้องพูดใกล้ๆปากหน่อยนะจะได้ยินตามภาษาคนที่ไม่อยู่ใกล้วัดนะคะออขอกราบขอนิยามการทำบุญว่าจะต้องทำกับวัดกับพระอย่างเดียวหรือว่าทำกับมนุษยชาติไปได้แล้วก็ได้บุญเหมือนกันคะคือบุญนี่มันได้ประโยชน์สองส่วนด้วยกันการทำบุญนี่เราจะได้ประโยชน์สองส่วน ส่วนแรกคือจิตใจของเราเวลาเราเสียสละเข้าของเงินทองช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าบุญประโยชน์อันนี้ไม่ว่าทำกับใครได้เหมือนกันทำกับวัดทำกับสภากาชาติไทยทำกับคนที่ไม่มีบ้านอยู่โฮมเลสพวกนี้ช่วยเขาอันนี้ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกัน คือมีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ส่วนประโยชน์อีกอันที่จะได้รับคือจากผู้ที่เราไปช่วยเหลือถ้าเราช่วยเหลือหมอหมอก็จะได้มีกำลังที่จะมารักษาพยาบาลคนไข้ถ้าเราไปช่วยครูครูก็จะได้มีกำลังมีมาช่วยสอนนักเรียนถ้ามาช่วยพระก็จะได้มีพระมาสอนพวกเราอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน ถ้าช่วยพระก็จะได้ธรรมะค่วยช่วยครูก็จะได้ปริญญาต่างๆถ้าช่วยหมอก็จะได้รับการรักษาพยาบาลทางร่างกายสำหรับชาวพุทธเรานี้เราถือว่าการช่วยเหลือวัดช่วยเหลือพระนี้มาที่หนึ่งเพราะประโยชน์มันได้สูงสุดผลตอบแทนได้ถ้าลงทุนกับบริษัทนี้จะได้ สองรอยเปอร์ซแต่ลงทุนกับบริษัทอื่นได้แค่ห้าสิเอร์ซนตเอเงั้นเราต้องมาลงทุนที่บริษัทนี้ก่อนคือต้องดูแลศาสนาดูแลพระให้อยู่ได้สามารถทําหน้าที่ของท่านได้แต่ถ้าท่านพอเพียงแล้วเราก็สามารถแบ่งไปทําที่อื่นได้หรือถ้าเราไม่รู้จะไปทําที่ไหนก็อาศัยพระนี่ทําให้เราเห็นไหมอาศัยหลวงตาเนี่ยทำให้เรา เราถวายเงินให้หลวงตาหลวงตาเห็นว่าวัดพอแล้วหลวงตาก็เอาเงินไปช่วยชาติไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างโรงเรียนไปอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ผ่านทางวัดได้แต่ต้องรู้ว่าวัดหรือครูผู้รับนั้นจะเอาไปทำประโยชน์ทางด้านต่างๆเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาทำเองเพราะทำกับพระเราก็จะมีความมั่นใจว่ามันได้เต็มร้อยถ้าทำกับคนอื่นก็อาจจะมีตกหล่นบ้าง มีค่าคอมมิชชั่นบั่งมีค่าอะไรบ้างก็นี่คือความหมายแต่ถ้าเราอยากต้องการทำให้เพื่อความสบายใจเราเราไม่สนใจว่าคนรับเขาจะทำอะไรให้กับเราหรือไม่เราก็ทำกับใครก็ได้ที่เราอยากจะทำด้วยทำกับสามีเราก็ได้ไม่ขอมีความสุขอย่าไปทะเลาะกับเขาอย่างนี้ก็ได้บุญนะให้อภัยก็โอเคโอเค นี่ก็เรียกว่ารำบุญเหมือนกันให้อภัยให้อภัยทานทานมีสามมีสี่อย่างมีวัตถุทานเข้าของเงินทองวิทยาทานวิชาความรู้อภัยทานแล้วก็ธรรมทานมีให้ได้สี่อย่างด้วยกันอย่างใดก็ได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าคนมีเงินแล้วก็ให้เงินเขาก็ไม่มีความหมายอะไรก็ต้องให้วิทยาทานถ้าเขาไม่มีความรู้ หรือให้ธรรมะถ้าเขาไม่มีความรู้หรือถ้าเขาทำให้เราโกรธล้วก็ให้อภัยเข้าไปแล้วเราจะมีความสุขใจข้าจายได้ยังโอเคอ่ต่อไปเชิญกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการปฏิบัติเจ้าค่ะว่าเอ่อในในการปฏิบัติอนาปนาสติสิบหกขั้นที่ในขั้นของฐานจิตที่ พระพุทธองค์ตัดว่าให้ยังจิตให้บันเทิงกับการที่อยู่ในขั้นของเวทนาที่รู้ถึงปิติเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ อ, อ๋อขั้นเหล่านี้มันจะไปของมันเองขอให้เราอยู่ที่สติตัวเดียวให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวดูอยู่ที่ปลายจมูกดูที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออก ให้รู้อยู่ยังตรงนั้นลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมแล้วลมมันก็จะค่อยๆละเอียดลงไปจิตก็จะสงบมากขึ้นไปแล้วอาการต่างๆที่ได้กล่าวถึงมันก็จะปรากฏขึ้นมาของมันเองแล้วก็จะผ่านไปได้อย่างสบายไม่ต้องไปกังวลอันนี้เป็นการเล่า ว, ว่า เวลาเราขับรถจากกรุงเทพไปถึงจากที่นี่ไปกรุงเทพจะผ่านที่ไหนบ้างผ่านพัทยาผ่านศรีราชาผ่านชลบุรีแต่เวลาเราขับรถเราสนเราอยู่ที่การขับรถอย่างเดียวก็พอถ้าเรามัวไปสนใจกับพัทยาหรือศรีราชาเดี๋ยวเราก็จอดรถไม่ได้ไปต่อไม่ต้องไปสนใจกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่เรากาลังดูลมหายใจเข้าออ ให้เรามีสติอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องแล้วมันจะพาเราไปสู่อัปปนาสมาธิในที่สุดพาไปสู่อเบกขาคือความสงบเต็มที่เออถ้าเป็นอย่างนั้นนี่จาเป็นจะต้องมีคาบริกรรมไม่จำเป็นถ้าดูลมไม่ต้องบริกรรมดูลมเฉยๆนอกจากว่าถ้าดูลมแล้วมันไม่ยอมอยู่กับลมก็ต้องใช้คำบริกรรมช่วยใช้บริกรรมพูดเข้าโทรออกก็ได้ แต่ถ้าดูลมได้เฉยๆไม่ต้องบริกรรมก็จะดีกว่าเพราะจิตจะได้ไม่ต้องทำงานสองสองต่อไหนต้องดูลมไหนต้องพุทโธแต่ถ้าเราดูลมอย่างเดียวก็มันจะเบามันจะสบายกว่าดูเฉยๆครับขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะลองทำดูน ะ, ะตำราที่เราอ่านนี้ท่านจะเล่ารายละเอียดของการขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นแต่แต่ท่าน ท่านท่านคิดว่าเราเข้าใจแล้วว่าให้เรามีสติอยู่กับลมเท่านั้นเองแล้วขั้นตอนต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ่อไปมีคำถามมีคำถามจากบนเขานะคะปฏิบัติรักษาศีลต้องกวาดลานแต่จะเห็นพบมดบ่อยๆจะผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะเวลากวาดยังไงก็ต้องมีกระทบ ก็เห็นก็พยายามอย่าไปกวาดมันดิยฆ่ามันไปถ้าไม่เห็นก็ไม่มีเจตนาก็ไม่บาปเราไม่มีตั้งใจว่าจะไปกวาดมดจะทำฆ่ามดนี่ไม่บาปเรามีเจตนาที่จะกวาดลานวัดให้สะอาดแต่ถ้าเรามองทีตาเราไม่ดีตัวมันได้มองไม่เห็นแล้วเราไปกวาดถูกมันเข้าก็ก็ถือว่ามันเป็นวิบากของมัน คำถามต่อไปนะคะจากบนเขากราบพระอาจารย์โยมปฏิบัติมาหลายปีโยมเข้าห้องผ่าตัดแบบไม่มีเวลาให้ทำความสงบโยมรวบรวมจิตใจทั้งเสียงกลิ่นแต่โยมรู้สึกว่าหัวใจโยมเต้นแรงโยมควรปฏิบัติอย่างไรคะให้หัวใจเต้นลดลง อันนี้ต้องไปถามหมอแล้วถ้ามันเป็นโรคหัวใจนี่เ ร, เราก็ไม่รู้เหมือนกันหัว <laughs> <laughs> ใจธรรมดามันก็เต้นตามปกติของมันนะถ้ามันเต้นผิดปกติก็ต้องไปใช่กับหมอก่อนว่าเป็นที่ร่างกายหรือเปล่านะ <laughs> ถ้ามันเต้นแรงเพราะเกิดอารมณ์เช่นตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวหวาดกลัวนี้ก็ต้องใช้สติช่วยให้มันดึงกลับมาตามให้มันอยู่ปกติได้ พอตกใจกลัวหัวใจเต้นแรงก็พุทโธพุทธโทรพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวแล้วเดี๋ยวสักฟังหนึ่งจิตก็จะกลับเข้ามาสู่สภาพปกติหัวใจก็จะกลับมาเต้นตามปกติได้ <c oughs> คาถามต่อไปกราบนมามัการเจ้าคะ่ะคนที่ทุกข์ใจมักจะพูดถึงความทุกข์ของตัวเองเพราะไม่มีทางออก มีวิธีใดที่ทำให้ความทุกข์ของตัวเองคลายไปได้บ้างเจ้าคะมีวิธีวางใจอย่างไรได้บ้างเจ้าคะก็ต้องศึกษาธรรมะต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีต่างๆในการที่จะมาบรรเทาความทุกข์ทางใจให้หมดไปพยายามขยันฟังเทศอย่าไปดูละครอย่าไปฟังเพลง เอาเวลาฟังเพลงดูละครมาฟังเทศฟังธรรมจะเกิดประโยชน์มากกว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือวิธีการกําจัดความทุกข์ต่างๆถ้าเราเคยได้ยินมาแล้วพอเราได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับจะสามารถกําจัดความสงสัยต่างๆที่เรามีอยู่ได้ในตอนนี้จะทําให้เรามีปัญญารู้จักวิธีแก้ปัญหาของเรา จะทำให้ใจเราสงบมีความสุขงั้นพยายามห่นฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆมีประโยชน์มากมากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรั ต, ตนะไตรธรรมรัตนะเป็นแก้วอัญญมณีที่ล้นค่ายิ่งกว่าอัญญมณีต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ของฟรีๆกับไม่อยากได้กันชอบ อยากได้ของเสียเงินแต่ไม่มีคุณค่าเลยเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งโอ้โหแต่อยากจะได้กันเหลือเกินตามัมาติดที่นิ้วเรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์วิเศษขึ้นมาทันทีมันไม่ได้เป็นหรอกมันก็เหมือนเดิมซูเอาธรรมรตัณหามาติดที่ใจดีกว่าโอ้โหสว่างโล่เลยมีดวงตาเห็นธรรมเลยพยายามฟังเทศฟังธรรมกันคำถามจากเฟบ๊นะคะ จากคุณนุชคิดเช่นกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการไปงานสลายร่างของพ่อแม่ครูอาจารย์หากเราไม่สะดวกที่จะไปร่วมงานแต่ได้ร่วมทำบุญในการจัดงานอานิสงส์ที่ได้แตกต่างจากผู้ที่เดินทางไปร่วมงานสลายร่างของครูบาอ า, าจารย์อย่างไรบ้างคะ คือการไปงานศพเนี่ยความจริงต้องการให้เราไปได้ปัญญาได้ความรู้เพราะนานๆเราจะได้เห็นคนตายสักทีแล้วคนตายนี้เป็นความจริงที่พวกเราไม่ค่อยได้มองกันไม่เห็นกันเราก็เลยลืมความจริงอันนี้ทําให้เราต้องกลัวตายกันแต่ถ้าเราไปเห็นความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะ เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายได้แล้วจะทาให้เราไม่ทุกข์ไม่หวาดกลัวกับความตายไม่ว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือในขณะที่เราจะตายไปเราจะตายอย่างสงบอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของการไปงานศพส่วนการไปช่วยงานการไปช่วยทำอะไรกันนี้ก็เป็นงานรองลงมาใช่คนไปเยอะๆก็ต้องมีการจัดที่ รับรองจัดอาหารเครื่องดื่มอะไรรับรองแขกที่มาแต่เป้าหมายแรกต้องไปก็คือไปป่งอนิจจาวตฏสังขารากันไปท่องบทนี้กันอนิจจาวตฏสังขาราสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงหนออุปาดวยะอุปจิตวะอ่ะถาวะธรรมดวยะธรรมิโนแปลว่ามีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดา อุปัชชะวานิรุชันติเกิดแล้วก็ต้องดับเตะสร้างวูปะสโมสุขโคการปล่อยวางสังขารร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งให้เรามาหัดปล่อยวางว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นคนใช้เราเป็นเจ้านายของร่างกายต่อไปร่างกายเขาจะต้องขอลาออกจากงานเพราะเขาหมดกําลังก็ให้เขาไป ถ้าเราปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือเป้าหมายของการไปงานศพต่างๆไปเพื่อไปเตือนสติเตือนใจถึงคำว่าวะอนิจจาวตฏสังขาราอุปดวายธรมิโนอุป no ชิตวานิรุชานติเตสรูปสมุสโคเนี่ยไม่ได้กล่าวให้เนี่ยขอกล่าวอันนี้แทนก็แล้วกัน <laughs> <laughs> ขอช้าพาเมื่อกี้ชัาใครแล้วนะ <laughs> แต่ยังไม่ได้กล่าวอันนี้ได้กล่าวนะคือเป็นคาธรรมะคำสอนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมถ้าาเข้าใจบทนี้แล้วจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายไม่หวาดกลัวกับความเป็นความตายต่อไปคำถามต่อไปจากคุณสุภครองยุติขออนุญาตถามค่ะ คือตอนนี้เวลาสิตปฏิบัติธรรมเวลาเจอเวทนาสิ์จะเห็นจิตตัวโทสะเบาๆก่อนเสมอคะ่ะสิ์ก็กาหนดตัวโทสานั้นพอเวทนาชัดก็กาหนดเวทนาแบบนี้สิ์กาหนดถูกต้องไหมคะถ้ากาหนดต้องกาหนดแบบต้องหยุดมันถึงจะถูกต้องกดก็ให้มันหายไปกาหนดปับ๊บถ้ามันไม่หายก็ยังใช้ไม่ได้ ถ้ายัางไม่หายก็แสดงว่าสติเรายัางไม่มีกำลังที่จะกำจัดมันเราก็ต้องมาฝึกสติให้มันอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจไปก่อนถ้าไปดูความโกรธดูอารมณ์แล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติกับมันได้อย่างถูกต้องถ้าจะดูลมก็ต้องเฉยไปเช่นเวลามันโกรธก็อย่าไปโกรธ ต, ตามมันเวลามันเจ็บก็อย่าไปเจ็บตามมัน ปล่อยมันเจ็บไปเราเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้เจ็บไปกับเวทนาไม่ได้โกรธไปกับความโกรธปล่อยให้มันเกิดแล้วมันดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าดูอย่างนี้ก็ถูกคำถามต่อไปจากคุณบีนาพัชรี <c oughs> ความท้อเป็นโทสะหรือไม่คะควรละหรือไม่คะก็ <c oughs> เป็นกิเลสอย่างหนึ่งค่ะคือ ความท้อนี่มันจะทำให้เราไม่สามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้วิธีแก้ก็คือต้องเราลึกถึงคนที่มีความเพียรเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนึกถึงความเพียรของพระพุทธเจ้านึกถึงความเพียรของพระอริยสงฆ์มันก็จะทำให้เราเกิดกำลังที่จ ะ, ะทำอะไรต่อไปได้ อย่าไปปล่อยให้คิดถึงความท้ออยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหมดกำลังอย่างน้อยถ้าคิดไม่ได้ก็หยุดมันก่อนให้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบแล้วความท้อมันก็จะหายไปชั่วคราวความท้อมันจากเกิดจากความคิดของเราเองคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่สามารถทำมันได้ก็เลยท้อขึ้นมาก็ให้คิดอย่างนี้ว่ากรุงลไม่ได้สร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาจะทําอะไรไม่ถ้าไม่ได้ทําปุ๊บไม่ได้ปั๊บก็ใจเย็นพยายามทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆวันละเก้าสองเก้าเดี๋ยวปีหนึ่งมันก็ได้เป็นหลายกิโลอย่าหยุดอย่าท้อทําไปเท่าที่เราทําได้ตามกําลังของเราอย่าไปทํามากกว่าที่เราทําได้มันจะทําให้เราท้อขึ้นมาหรือทําในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้ต้องค่อยๆสร้างกําลังขึ้นมา ที่เขาพูดกันว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียวปารามิดของอียิปต์นี้ไม่ได้สร้างในวันเดียว ด, ดูซิก้อนหินก้อนเบื้องบนนีกว่าเขาจะามาเรียงซ้อนกันขึ้นมาเป็นปีระมิดได้นี้จะใช้เวลากี่ร้อยปีกันแต่เขาก็สร้างสําเร็จเพราะเขามีความเพียรพยายามเขาไม่ท้อยากลําบากยังไงก็ทําไปตามกําลังไม่หยุดทําเท่าที่ทําได้แต่ทําแบบไม่หยุด พักบ้างได้เมื่อเหนื่อยก็พักได้แต่ไม่เลิกรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะสำเร็จเอาคำถามสุดท้ายนะถ้ายังมีอยู่คำถามจากคุณปฐมพร น, นามสการค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราใส่บาทพระปลอมเราจะได้บุญหรือบาปคะเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เขาทำไม่ดีต่อไปหรือไม่ ในวงเล็บที่ว่าพระปอมเพราะสังเกตเห็นใส่รองเท้าบินทบาทประจำยืนอยู่ในตลาดเวลาให้พรก็จะบอกให้รวยรวยรวยรวยที่ใส่บาทวันนั้นเห็นว่าไม่มีใครใส่บาทเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอ๋อนี่ยังไม่ใช่เป็นวิธีดูพระอมหรอเ <laughs> <laughs> พราะเราก็ให้พรให้โยมรวยรวยกันทุกวัน <laughs> <laughs> <laughs> ยกระายกายเป็นภาพปอมไปเลยนี่ภาแท้ภาพปอมนี่เหมือนดูเพชรแท้เพชรปอมถ้าดูไม่เป็นอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเป็นเพชรแท้เพชรปอมต้องรอให้คนสามคนที่เขารู้ก่อนว่าเพชรแท้เพชรปอมภาพแท้ภาพปอมหรือไม่แต่ถ้าเรารู้จริงๆว่าเป็นภาพปอมก็ไม่ควรที่จะสนับสนุนเพราะว่าเป็นการสนับสนุนให้คนโกหกหลอกลวงะ แต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปนะเราก็ได้บุญถ้าเราสงสารเขาก็คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนขอทานก็แบบให้ขอทานไปแต่ว่าไม่ควรให้ในรูปแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้อื่น mm hmm. เราก็ต้องอย่าไปให้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนเพื่อจะได้เป็นการยุติการหลอกลวงของเขา mm hmm. ถ้าเราสนับสนุนเขาก็จะทำต่อไปถ้าเราให้เขาเขาก็จะทาต่อไป